การภาวนานะเราต้องจับหลักให้แม่นถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมหรอกต้องรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกนะคือรูปนามกายใจของเรานี้เองคำว่าทุกไม่ได้แปลว่าความทุกนะคำว่าทุกในอริยสัจเนี่ยก็คือตัวรูปนามคันห้าของเรานี้แหละที่เรายึดถือครอบครองอยู่นี่แหละ ในบทส่วนมนต์มันมีอยู่คำหนึ่งมันทำให้เราสับสนได้ในบทธรรมวัดเช้าบอคสังขิตเตเนะปันจุปะท า, านนักขันทาว่าโดยย่อดโดยสรุปนะอุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกคำที่ทำให้พวกเราสับสนคือคำว่าอุปาทานขันอุปาทานขันไม่ได้แปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นแต่เป็นขันซึ่งเราสามารถเข้าไปยึดมั่นได้ พรางั้นตัวขันเนี่ยคำว่าอุปาทานขันเนี่ยมันเป็นการจําแนกชนิดของขันเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ทั้งหมดตัวที่เป็นตัวทุกข์ในขันห้าก็ขันอย่างที่พวกเรามีตัวขันบางอย่างไม่จัดเป็นตัวทุกข์อย่างพวกโลกุตตะาจิตทั้งหลานยะไม่ใช่อุปาทานขัน เป็นขันที่พ้นจากอุปาทานเอามาทํำวิปัสสนาไม่ได้ตัวที่เราจะใช้ทํำวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือตัวอุปาทานขันงั้นอุปาทานขันเนี่ยมันเป็นอุปาทานขันอยู่แล้วเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเราจะยึดหรือเราจะไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกข์อย่างร่างกายเนี่ยมันจะเป็นตัวทุกข์ไหมมันเป็นตัวทุกข์อยู่ร่างกายของพระอรหันต์เป็นตัวทุกข์ไหมก็เป็นตัวทุกข์อยู่ ขันทั้งหลายมันเป็นตัวทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองขันที่พวกเรามีนี่แหละจัดอยู่ในกองทุกข์มีอยู่ตัวเดียวที่แตกออกไปอยู่ในกองทุกข์ก็ได้กองสมุทัยก็ได้คือตัวโลภะตัวตัณหามันทําหน้าที่ได้สองอันตัวมันก็เป็นตัวอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันทําหน้าที่ เป็นตัวที่ทำให้จิตนะเข้าไปหยิบฉวยเอาตัวอุปาทานขันเนี่ยขึ้นมาครอบครองอะไ้จิตนั้นก็เลยมีความทุกข์ไปด้วยเพราะจิตนั้นไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาครอบครองจิตพระอรหันตนะ์วางขันวางความยึดถือในขันลงไปแล้วดนะีย๋ยว่าแต่ตัวอุปาทานขันเลยนะขันที่พ้นอุปาทานนะคือโลกุตรจิตอะไรเงี้ยพระอรหันต์ก็ไม่ได้ยึดถือ เมื่อท่านไม่ไปหยิบช่วยเอาตัวอุปาทานขันหรือตัวทุกข์ขึ้นมาครอบครองไวนะ้ความทุกข์ก็มาไม่ถึงใจขันก็อยู่ส่วนขันนะทุกข์ก็อยู่ตัวส่วนทุกข์โลกก็อยู่ส่วนโลกอะไรเรียกว่าโลกก็รูปนามนะนะั่นแหละเรียกว่าโลกเรียกว่าทุกข์นั้นโลกนะั้นกับทุกขก์อันเดียวกันเลยหน้าที่เรานะั้นต้องรู้ความจริงของตัวอุปาทานขันไม่ใช่ละนะ พุทเจ้าสอนวัตถุให้รู้มีตัวเดียวที่เว้นไว้คือสมุทัยให้ละตัวตันหาที่เหลือทั้งหมดในขันท้งเหลือหลายทั้งปวงเรามนะีหน้าที่เรามีหน้าที่รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นคําว่ารู้นะั่นก็คือไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปแทรกแสงมันมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีบางคนภาวนาไปนะภาวนาได้ดีด้วยซ้าไปเข้าใจในขั้นต้นๆแล้วเนี่ย อย่างไม่แทงตลอดก็น้อมจิตไปสร้างพบภายในที่ว่างสว่างสะอาดหมดจดนึกว่าบริสุทธิ์มันสว่างเท่านั้นมันไม่บริสุทธิ์สว่างกับบริสุทธิ์ไม่เท่าเทียมกันสว่างคือประพัสสอนประพัสสอนกับปาริสุทธิ์ที่วลคํำกันเลยตัวจิตนั้นมันสว่างสวัยเวลาที่มันไม่มีกิเลสเข้ามาครอบงำ เขาเลยใช้วิธีรักษาจิตเอาไว้ให้ว่างๆประคองจิตให้นิ่งให้ว่างให้สบายนะสว่างตรงที่ประคองจิตให้ว่างๆมีตั้งแต่ปุถุชนนะปุถุชนก็ทําได้ปลายระยะบุคคลชั้นต้นๆก็ภาวนาแล้วพลาดขาดความรอบคอบในการปฏิบัติแล้วไปติดอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งนะที่ว่างสว่างอยู่ข้างใน เมื่อปี2526หลวงพ่อไปกราบหลวงปุ ด, ดุลครั้งสุดท้ายก่อนท่านวรณภภาพท่านสอนว่าพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกนะถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก่อนหน้า น, า น, านัา้นท่านเคยเปลยเปรยให้ฟังหลายทีนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงระดับเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คนนึกว่าพระลหาันเต็มแผ่นดินนะ ท่านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คําว่าผีใหญ่หมายถึงเป็นพรหมกะทั่งเป็นพรมอนาคาก็มีนะเป็นพรมธรรมดาไม่ใช่พระอนาคาไม่ใช่โสดาเลยก็ยังมีแต่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในภพในภูมิที่สว่างว่างไม่มีกิเลสเลยเงื่อนเวลาที่เข้าไปติดในภพนี้แล้วมองไม่ออกนะ จะสำคัญมั่นหมายว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เลยไม่มีความขนขวายต่อไปที่จะปล่อยวางตัวรู้นี้นเพราะไม่รู้เลยว่ายึดถือตัวรู้อยู่ไม่รู้เลยว่าประคองจิตเอาไว้ไม่รู้เลยว่าสร้างภพอยู่แล้วติดอยู่ในภพที่สร้างขึ้นมาเียมื่อจิตมองไม่ออกว่าติดอยู่ในภพนะเม่ไม่สามารถออกจากภพได้คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วยิ่งน้อมใจเชื่อนะ โดยธรรมชาติพวกเรานักปฏิบัติเราก็อยากได้มรรคผลพอมันมาว่างๆางั้นนะเราก็น้อมใจเชื่อเลยว่านะได้แล้วได้แล้วบางทีคนบอกคนเตือนไม่ฟังนะใจไปค้างนิ่งๆอยู่ถ้าพวกที่เขามีหูมีตานะเขาดูเขาจะสงเกตออกจิตที่ยังมีที่ตั้งมีการตั้งเอาไว้มีที่ตั้งมีจุดมีดวงนะมีขอบมีเขตอยู่ จิตชนิดนี้ยังเป็นจิตที่อยู่ในภพอยู่ถ้าสำคัญมั่นหมายว่าจบแล้วจบแล้วนะก็นิ่งนอนใจไ ม, ไม่ยอมค้นคว้าพิจารณาเข้ามาที่ตัวจิตตัวใจนี่แค่ว่ามันหมดงานแล้วไม่อยากทำงานอีกเพราะถ้าทำงานขึ้นมานะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาอีกก็เลยเลี่ยงไม่ยอมทำงานคือไม่ยอมเจริญวิปัสนาต่อแล้วก็พอใจในความนิ่งความว่างนี่นักปฏิบัติชั้นดีนะ มาตายอยู่ที่ตรงนี้เป็นจนํานวนมากเนี่ยที่หลวงปู่ดุลสอนไว้นะที่พวกเราภาวนาไปเราก็ใช้ความสังเกตเอาอย่างถ้าเราเกิดปรากฏการแปลกๆขึ้นทางจิตใจอย่าเพิ่งเชื่อว่าเกิดอริยมรรคมันมีกระบวนการของอริยมรรคแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นกระบวนการของอริยมรรคเนี่ยจิตมันจะเกิด ทั้งหมดนะในช่วงที่ตัดกิเลสเนี่ยช่วงเจ็ดขณะจิตเท่านั้นสั้นนิดเดียวสั้นเหมือนฟ้าแลบเลยครูบาอจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่านะว่าท่านยังมีกิเลสตอนนั้นท่านกําลังเทนอยู่จีตรวมเข้าไปล้างกิเลสนะพอล้างกิเลสเสร็จจิตท่านถอยออกมาท่านทวนเข้าไปดูบับ๊ว่ากิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วท่านก็รีบนึกต่อเลยว่าประโยคตะกี้พูดถึงอะไร กำลังเทศอยู่นึกออกท่านก็เทศต่อคนฟังเนี่ยไม่รู้สึกสะดุดเลยคิดว่าท่านเว้นวักธรรมดาเห็นไหมกระบวนการตรงนี้สั้นนิดเดียวเนี่ยเหมือนแค่เว้นวักหยุดหายใจนิดเดียวเท่านั้นนะระหว่างประโยคเท่านั้นเองขนาดนี้งใช้เวลานิดเดียวเองนี่คนที่ทรงฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตมากๆนจะเห็นกระบวนการเป็นขณะขณขณะไป แต่ส่วนใหญ่เนะี่ยไม่เห็นส่วนใหญ่จะไม่เห็นจริงครูบาอาจารย์ท่านเทียบว่าเหมือนคนตกต้นไม้หล่นจากยอดไม้ลงมาถึงโคนต้นเนี่ยนับกิ่งไม้ไม่ทันนะว่าผ่านมากี่กิ่งมันผ่านมาเจ็ดกิ่งตกลงมาถึงพื้นเนี่ยนับไม่ทันส่วนใหญ่นับไม่ทันนี่พอปรากฏการแห่งอริยมรรคเนี่ยเราเห็นไม่ชัด แต่ว่าพอภนาไปแล้วเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาเราก็คิดว่าได้มรดได้ผลนะแล้วแล้วพอน้อมใจเชื่อเพราะอยากจะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าปฏิบัติมาก็อยากได้มรดผลมีความแปลกๆอะไรเกิดขึ้นก็เชื่อเลยได้แล้วไม่กล้าที่จะพิสูจน์ด้วยซ้ําไปไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์นะไม่กล้าถามเลยนะกลัวว่าจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำคำท่านโบราณเนาะคําท่านไม่เพลาะหรอกนะ บอกนั่งทับขี้อยู่นั่งทับขี้อยู่ไม่กล้าลุกนะกลัวคนเห็นกลัวคนรู้ว่าไม่ใช่อะไรโดยเฉพาะอย่างนี้กลัวตัวเองรู้ว่าไม่ใช่เนี่ยพวกนี้เพอเกิดปรากฏการแปลกแปลกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรักษาจิตเอาไว้จะสร้างภพอันหนึ่งขึ้นมานะซึ่งเป็นภพที่เนียนมากเลยสว่างสไบรชน ะ, ะคล้ายคลึงกับคําที่หลวงปู่ดุลเคยพูดบอกว่างสว่างบริสุทธิ์ หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงมันยังเหลือเหลืออีกอย่างหนึง่งเหลืออะไรเหลือสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธินั่นเองแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกมันเหลือสภาวะที่ว่างสว่างนะแล้วก็ยังปรุงแต่งอยู่นะไม่แค่ว่างสว่างเท่านั้นเองยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งว่างปรุงแต่งสว่างนะ ยังมีการสแสวงหาไหมไม่สแสวงหาแล้วพนะึงพอใจที่จะอยู่กับที่อยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละพอใจแล้วจบแล้วตรงนี้นะไม่สแสวงหามีกิริยาของจิตไหมมีกิริยาของจิตคือกิริยาที่จิตยึดอยู่ในภพอันนี้นะนั้นคือคำว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสยมีไม่ครบหรอกมีแต่ว่างสว่างนะแล้วก็ ไม่สแสวงหาคือไม่ค้นคว้าดิ้นรนที่จะเจริญปัญญาต่อไปละมันได้แค่นั้นเองขาดหลายตัวเลยนะขาดอะไรขาดบริสุทธนะ์ขาดหยุดความปรุงแต่งเพราะพบที่ว่างๆนั้นก็เป็นพบที่ปรุงขึ้นมาขาดความบริสุทธ์ขาดความไม่ปรุงแต่งนะพ้นจากความปรุงแต่งความบริสุทธ์คือปาริสุทธิ์นะ คำว่าไม่ปรุงแต่งนะคือวิสังขารนะนี่เป็นชื่อของพระนิพพานทั้งนั้นเลยกริยาอาการของจิตนะกริยาอาการหยุดกริยาอาการของจิตนะอันนี้จิตไม่หยุดจิตยังสร้างพบอยู่นะมันเหมือนเหมือนมันพอเหมือนเหนะมือนมีครูบาอาจารย์องค์นะชื่อหลวงปู่ล่าเคยพูดนะบอกนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นะ ฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กาหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆยังหมายอยู่นะมีการหมายอยู่รักษาอยู่ประคับประคองอยู่นะมันไม่ใช่ของจริงงานงานกรรมฐานนะเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่ประณีตมากเลยนะพวกเราต้องไม่ให้โลภครอบงำใจนะถ้าความโลภครอบงำแล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าสังเกตความจริงของตัวเอง ว่ามีอะไรเหลืออยู่อีกหรือเปล่านี่สงวนรักษาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่านั่งทับขี้อยู่เฉยๆนะกโกโป่กอยู่อย่างนั้นเนะ่ยขุดออกมาไม่ได้ทําลายไม่ออกงั้นจะับใดนะถ้าพวกเราสังเกตดูจิตอย่างแต่ค้างในภพในภูมิใดๆนะโเฉพาะในความนิ่งๆว่างๆความสว่างอะไรพวกนี้นะให้สังเกตให้ดี มันยังมีขอบมีเขตไหมมีการตั้งเอาไว้ไหมยังมีขอบมีเขตมีจุดมีที่ตั้งมีดวงไม่ใช่ของจริงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีความเคลื่อนไหวภายในไม่มีไม่มีรูปรักษเลยภายนอกนี่ไม่มีรูปรักษเลย ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนี่หลวงู่ดูลสอนขนาดนี้นะสอนอย่างนี้นะท่านใช้คําบอกว่าภายในเหมือนต้นเหมือนท่อนไม้และก้อนหินไม่มีความเคลื่อนไหวเลยภายนอกเนะี่ยไม่มีร่องรอยไม่มีรูปรักษ์เลยไม่มีอาการปรากฏไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นสิ่งที่ประณีตนะสูงมากมีพวกเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆปฏิบัติไป เบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ให้ดีต้องรักษาศีลห้าศีลห้าไม่มีสมาธิแท้ๆไม่เกิดถ้าศีลห้าไม่มีใจจะฟุง้งซ่านอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำร้ายเขาคิดจะล้นเขาหลอกลวงจิงซัพย์เขาคิดจะเป็นชู้กับเขาคิดจะนอกใจเมียคิดจะนอกใจสามีปล้นปล้อนหลอกลวง มอมเมาตัวเองด้วยสิ่งเสพติดต่างๆคนพวกนี้จิตใจไม่มีความสงบที่แท้จริ ง, งกระทั่งกินยาต่างๆเข้าไปนะมันซึมมันไม่ใช่สงบแบบจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิขาดสติไป น, นั้นศีลห้าเนี่ยจำเป็นมากพวกเราต้องตั้งใจรักษาแต่คารวะเนี่ยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ย ทำได้ยากยิ่งขนาดพระพุทธเจ้านะอย่างพูดว่าทำได้ยากนะสําหรับค า, ารวะที่จะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วใครเคยเห็นหอยสังที่เขาขัดสมัยก่อนเขาลดน้ําสังกันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นสังพลาสติกแล้วก่นะอนมันเป็นสังจริงๆนะ่าเอาหอยมาขัดนะสวยงามแวววาวขาวๆนะวๆนะสวย แล้วบอกว่าคารวาสเนี่ยจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดนะเหมือนหอยอีกสังที่ขัดดีแล้วนี่ทําได้ยากแต่ถึงยากก็ต้องทำํำพยายามทําให้ได้มากที่สุดบางครั้งบางเวลาศีลมันขาดไปตั้งใจใหม่รักษาใหม่บางคนนั้มันไม่มีทางเลือกเลยบางคนไม่มีทางเลือกนะอย่างอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาขายนะ เรื่องปลาช่อนปลาดุกเลยเนี่ยถามว่าเป็นมิจฉาวนิจไหมเป็นมิจฉาวณิจนะนการค้าขายชีวิตสัตว์อื่นเนี่ยไม่ดีแต่บางคนไม่มีทางเลี่ยงเนี่ยเคยมาถามหลวงพ่อว่าจะทําไงดีไม่เคยมีศีลสักวันเลยนะจะปฏิบัติไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันอยู่ในภาวะที่บีบคั้นจำยอมแบบนี้นะเรายังไม่สามารถหางานใหม่ทําได้นะ อย่างจำเป็นอย่างนี้อยู่ต้องวางใจให้เป็นนะวันเวลาที่เราจะฆ่าปลาเนี่ยมีวันเดียวนะวันเวลาที่เลี้ยงปลาเนี่ยมีหลายวันวันเวลาที่เลี้ยงปลาอยู่เนี่ยตั้งใจรักษาศีลไว้ให้ดนะีไม่ต้องเรื่องฆ่าปลาเรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรอย่างงี้นะตั้งใจรักษาถึงวันที่ผิดศีลจับปลาไปขายหลายๆเดือนจับทีหนึ่ง ก็ผิดศีลหนึ่งครั้งหนึ่งวันทําเสร็จแล้วตั้งใจรักษาศีลใหม่แล้วถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปหรืออย่างสมัยก่อนนะหลวงพ่อรับราชการหัวหน้ากองเขาสั่งโทรศัพท์อยู่ระหว่างหลวงพ่อกับหวัวหน้าบวกถ้าใครโทรมาหาพี่นะให้บอกว่าพี่ไปไประชุมนะโอ้โหเราถือศีลนะสั่งเราอย่างเนี้ย เราคลุ้มใจมากเลยนะอึดอัดมากเลยทำยังไงได้ละ่ะเวลาคนโทรมานะรับสายปุ๊บเราก็ถามหาหัวหน้านะเราก็พูดเบาๆหน่อยนะหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับ <c oughs> <c oughs> กิวตี้ไหมกิี้นะสีด่างพลอยนะด่างพลอยนิดหน่อยนะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาเลยเราถูกบังคับนะ แต่สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องระมัดระวังนะไม่งั้แก่จะกลายเป็นเจ้าเล่ยจะถือศีลแบบเจ้าเล่ยนะไม่ขัดเกลากิเลสถ้ามันจวนตัวจริงๆแนละ้วก็ต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วทําไงผิดน้อยหน่อยถ้าผิดเต็มๆกับผิดน้อยหน่อยก็เอาให้น้อยหน่อยถามว่าผิดไหมผิดมัวหมองไหมมัวหมองสิ่งเหล่านี้เราเป็นคารวาสนะเรื่องยากเรื่องยากมากเลยแต่ว่าต้องตั้งใจ ทำให้ดีที่สุดตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ตื่นมาก็คิดถึงว่าเราจะรักษาศีล5นะก่อนจะกินข้าวกังวันก็ตั้งใจรักษาศีล5้าเพื่อสำรักข้าวตายจะได้ตายแบบมีศีลก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเพื่อ น, นอนแล้วไม่ตื่นอีกจะได้นอนตายอยู่กับศีล5้าของเราเนตตเตือนตัวเองเรื่อยๆนะตัวนี้สาคัญนะถ้าพวกเราลาเลย คนรุ่นนี้นะจะเอาแต่ปัญญาไม่เอาศีลมันจะเป็นปัญญามหาโจรไปหมดเลยดังนั้นศีลเนี่ยเป็นรัว้วเป็นกรอบที่ดีสําหรับมนุษย์เลยถ้าสูญเสียจากศีลไปก็คือสูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมภาวนาไม่ได้หรอกมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปและนะ้วในใจของเราดังั้นมันภาวนาไม่ขึ้นจะภาวนาขึ้นเนะี่ยตั้งแต่ภูมิมนุษย์ขึ้นไปนะ ภูมิเทวดาภูมิพลมบางพวกเรื่อนี้ถึงจะภาวนาขึ้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนะพวกนี้ภาวนาไม่ได้ก็วางอยู่อย่างนั้นเองในคำพีก็พูดถึงพญานาคนะพญานาคเพราะพญนาค ก, ก็เป็นทุกคติเป็นทุกคติที่มีความสุขมีทรัพสมบัติมากเลยเนะี่ยฟูฟ่ฟาพวกเราชอบไปขอเพชรพญานาค ก, กันไปต่อยจากก้อนหินกัน พญานาคนะมีพระองค์หนึ่งท่านไปภาวนาในพบของพญานาคแล้วขึ้นมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็เลยอยากเป็นพญานาคว่าเดี๋ยวจะไปภาวนา <c oughs> พอไปเกิดเป็นนาคนะเลยรู้ว่าภาวนาไม่ได้และวต้องใช้ความเพียรตั้งนานนะกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนื้ยศีลห้านี่ยจะทําให้เราเป็นคนเต็มคนนะเราถึงจะภาวนาขึ้น ถ้ามีศีลแล้วงานต่อมาก็คือการฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจลืมเนื้อลืมตัวภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ต้องรู้สึกตัวหาใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกให้รู้สึกตัวเรื่อยๆคําว่ารู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแต่ไม่ได้ไปบังคับร่างกาย อย่ารู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อจะหยิบแก้วน้ําหยิบขวดหนะลวงพ่อก็รู้สึกตัวให้ไปหยิบเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะกว่าจะได้กินน้ํำนะ่ะไตาวายไปแล้วอันนี้บังคับนะแทรกแซงคําว่ารู้ตัวขึ้นมาก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวนี้ไม่ใช่เพ่งใส่มัน ถ้าระมั่ระวังนะไม่งั้นจะพลาดรู้สึกตัวไม่ใช่การเพ่งแล้วไม่ใช่แปลว่ารู้สึกทั้งตัวในความเป็นจริงในขณะที่เรารู้สึกตัวนะั้นเรารู้สึกทั้งตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้สึกทั้งตัวเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนะรู้สึกทั้งตัวจะเพ่งทั้งตัวก็ได้ทำอย่างนี้เนี่ยรู้ทั้งตัวเลยแต่ว่าเพ่งอยู่ คล้ายๆใจอยู่ข้างบนมาหน่อยหนึ่งนะแล้วมองย้อนลงมาจะรู้สึกตลอดสังเกตดูที่จิตจะมีน้ําหนักขึ้นมาจะมีความแข็งแข็งหนักหนักขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงจะรู้ทั้งตัวนะแต่เทาเหลือความหนักขึ้นมานิดหนึ่งของปลอมนะไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อบอกแร้วสิ่งเหล่านี้สําคัญมากนะถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จริงๆเราเดินปัญญามไม่ได้จริงเพราะเราจะไปแทรกแสงร่างกายไปแทรกแสงจิตใจ เมื่อเราแทรกแซงแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นไม่เห็นความจริงของกายเมื่อเราแทรกแซงจิตใจเราก็ไม่เห็นจิตใจที่เป็นจริงเพราะเราไปแทรกแซงเสแล้วมันจะผิดปกติไปไม่จริงไม่ใช่ของจริงงั้นเราต้องไม่แทรกแซงนะเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจไม่เพ่งไม่จ้องแล้วไม่ต้องไปคิดเอาหรอกแค่รู้สึกเอาคาว่ารู้สึกเนี่ย ชื่อมันบอกแล้วนะว่าแค่รู้สึกไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพยงเงานะแค่รู้สึกถึงร่างกายเมื่อเรารู้สึกถึงร่างกายแล้วนะียใจเราเป็นแค่คนดูที่สบายๆตัวคนดูเองตัวใจที่เป็นผู้ดูเองก็ต้องไม่แข็งกระด้างไม่จงใจสร้างตัวผู้ดูขึ้นมาอีกใช่ไหมจงใจมีตัวผู้ดูก็ไม่ได้หรือมีตัวผู้ดูที่ถูกต้องแล้วจงใจไปดูกายดูใจก็ไม่ได้อีก จุดที่จะพลาดเนะี่ยมีให้เราศึกษาได้เยอะมากเลยนะพวกเราไม่ต้องกังวล น, นะจุดที่ผิดพลาดเนี่ยมีเยอะแยะเลยพวกเราอย่า ก, กลัวยังไงก็ผิดอาศัยผิดไปเรื่อยนี่แหละวันหนึ่งมันถูกฟันเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูก น, นี้ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่สำนวนนะนี่บอกตรงๆเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อไร่ไม่ผิดเมื่อนั้นมันถูกอย่างมันผิดตรงไหนบ้างนะจิตเราหนีไปคิดนะจิตเราหนีไปคิดมันผิดไปแล้วเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัว จิตเราไหลไปเพ่งมันผิดแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้รู้สึกตัวที่เปนเพ่งตรงที่หนีไปคิดเนี่ยหย่อนเกินไปตรงที่เลื่อนเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเกินไปแต่รู้สึกเนี่ยสบายๆจิตหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดแค่รู้สึกไม่ห้ามมันนะแค่รู้สึกเท่านั้นว่ามันหนีไปคิดแล้วมันเคลื่อนไปแล้วเห็นจิตจะเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเห็นจิตที่เคลื่อนพุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองตรงนั้นจิตจะรู้นื้อรู้ตัวขึ้นมาเองะ ที่ว่าให้มีจ well, so ิตใจอยู่กับเนื้อกระตัวอยู่ตรงนี้เองตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปจะไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้ามันไหลไปเพ่งรู้ตั้งแต่มันเริ่มไหลนะมันจะไม่ไหลแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้ามันไหลเสร็จแล้วนะตอนมันจะไม่เหมือนกันถ้ามันไหลไปคิดแล้วเราเหมือนกําลังคิดอยู่แล้วเราเกิดรู้ว่าคิดอยู่นะความคิดจะขาดทันทีเลยการไหลไปในสภาวะของความหลงจะขาดทันทีแต่ถ้าตอนเพ่งเราไม่เห็นตอนที่ไหลไปเพ่งนะ มันไหลไปแล้วแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราไปรู้ว่าเพ่งอยู่อันนี้ไม่ขาดนะเพราะว่าการที่เราเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดเราฟุ้งซ่านไปนั้นจิตในทางกุศลทันทีที่มีสติรู้ว่าอากุศลเกิดเนี่ยนะอกุศลนั้นจะดับทันทีความหลงอยู่ในโลกของความคิดนั้นจะขาดทันทีแต่การเพ่งเนี่ยไม่ใช่อกุศลนะมันเป็นการที่ปฏิบัติแต่ว่ามันปฏิบัติไปในทางสมถะนะสมถะ เป็นกุศลไปสู่สติได้ไปเป็นพระพรหมก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรามีสติไปรู้ว่าจิตไปเพ่งอยู่ไม่หายหรอกแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามีความโลภที่จะเพ่งความโลภขาดเนี่ยนะการเพ่งก็หายนะเราดูมันละเอียดมากเลยนะตรงนี้ไปดูตัวเพ่งแล้วเนี่ยตัวเพ่งแล้วเป็นวิบากนะไม่ขาดไม่ขาดทันทีหรอกแต่ถ้าเราเห็นเบื้องหลังการเพ่งเนะี่ยมีโลภะแฝงอยู่นะ โลภะขาดนะการเพ่งอยากคลายตัวอย่างรวดเร็วเลยนะค่อยๆค่อยๆดูนะนั้นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่เป็นภาวะที่ละเอียดที่ประณีตมากเมื่อสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกนี้แทบไม่มีเลยนะสมัยก่อนเข้าไปตามวัดครูบาจานะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลย อย่างหลวงพ่อนะเป็นคารวะาที่รู้สึกตัวได้เงัอง น, นเป็นคารวะที่หายากหลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อหลวงปู่สิมพุท ธ, ธาจาโรย์หลรูบาอาจารย์ผู้ใหญ่วงการกรรมฐานยกย่อ ง, องท่านมากเลยท่านเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะเราไม่ใช่ผู้รู้อะไรผู้รู้ตัวผู้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใจมันตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่น จิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หลงไม่เผลอไปรู้ตัวซื่อๆในการรู้อารมณ์ความสุขเกิดก็แค่รู้ความทุกข์เกิดก็แค่รู้นะเกิดหลงยินดีหลงยินร้ายก็มีสติรู้อีกจิตก็ามาเข้าสู่ความเป็นกลางรู้ซื่อๆ อ, อยู่ น, นั้นเนี่ยพวกเราต้องมาหัดจนพวกเราได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะ งั้นถือศีลห้าไว้มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวประณีตมากนะเป็นสภาวะที่อยู่กับตัวเองรู้สึกตัวเองรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจตามที่มันเป็นจริงๆนะโดยที่ไม่ได้จงใจที่จะรู้สึกโดยไม่ได้จงใจประคองรักษาความรู้สึกนะไม่ได้เพ่งจิตผู้รู้เอาไว้ไม่ได้รักษาจิตผู้รู้เอาไว้นะแต่จิตผู้รู้นั้นเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน เรารู้ทันที่ผิดคือที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่มีนะเราจงใจไปตั้งขึ้นมาอันนี้ใจจะแข็งแข็งเป็นของปลอมจิตที่แข็งแข็งเป็นอากุศลจิตนะและจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีละหุตามีความเบามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะถ้แข็งปึ๊กเลยเนี่ยของปลอมละไม่ใช่จิตที่จะไปเดินปัญญาได้จริงหรอกงั้นเรามามีศีลห้านะ ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้รู้อะไรอันแรกรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาอันที่สองรู้ความจริงของกายของใจว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่คิดนะคำว่ารู้คือรู้ไม่ใช่คิดเอาว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์จิตใจเป็นไตรลักษณ์ ถ้าใจเราตั้งมั่นจริงๆแล้วสติระลึกรู้รูปรู้นามบ่อยๆนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนีดูซ้าแล้วซ้ําอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาไม่ได้เกิดรายวันนานๆเกิดทีหนึ่งนะปัญญาเกิดรายวันคือปัญญาคิดเอาส่วนมีปรัชนาปัญญานี่ไม่ได้เกิดรายวั น, นกว่าที่จิตจะสรุปความรู้ขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาบางที่เป็นเดือนเลยนะกว่าจะเข้าใจอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง เวลาเข้าใจขึ้นทีนั้นะเราจะแช่มชื่นเบิกบานนะอยู่สัก7วัน15วันอะไรเงี้ยจะแช่มชื่นอยู่ไม่เกินเดือนนะไม่เหมือนสมาธินะทำสมาธิจะแช่มชื่นเบิกบานไม่เกิน1สัปดาหนะ์สภาว่ามันประณีตกว่ากันเนี่ยเฝ้ารู้นะรู้สึกตัวขึ้นมาดู ก, กายเขาทำงานจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นเอานะรู้เอาเห็นเอาไม่ใช่คิดเอา อย่างมันเห็นน่ะความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ไปนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปสุดท้ายใจมันก็รู้นะว่าว่าทุกอย่างนี้มันตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงนี่ความสุขเป็นของไม่เที่ยงนี่เพราะมาความสุขไม่ว่าความสุขชนิดใดนะมาเมื่อไหร่ก็ตามนะอยู่ไม่นานก็หายไปใจก็รู้นะเออความสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงนะหรอความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นอีกความทุกข์มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเออความทุกข์มันไม่เที่ยงนะ อย่างเนี้ยเราเดินปัญญาอยู่นะจิตมันรู้ไม่ใช่เราคิดตรงที่อริยมรรคจะเกิดนะั้นเป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งนะเลยตรงนี้ไปอีกมันเป็นปัญญารวบยอดตรงที่เดินวิปัสสนาอยู่เราจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะความสุขความทุกข์แต่ละอย่างหรือร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนแต่ละอย่างนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแต่ละอย่างแต่ลนะอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่ตรงที่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาในโลกุตตระปัญญาปัญญาในขั้นโสดาปติมัคเนี่ยมันจะไปสรุปรวบยอดเป็นความรู้รวบยอดของจิตที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมก็คือซัมติงอ่ะมันไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นความรู้รวบยอดนะไม่ใช่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธดับอันนี้ไม่ใช่ความรู้ในมัคแน่นอนนะ มันจะรู้แต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะไม่มีภาษามนุษย์ด้วยนะไม่ใช่มานั่งบรรยายนั่งภาคนะพูดขึ้นมานี่เห็นไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่เธอเป็นพระโสดาแล้ว น, นี่มานหลอกแล้วนะไม่ใช่จริงหรอกงนันงานปฏิบัติธรรมนะเป็นงานที่ประณีตมากเลยเราต้องประณีตใจเย็นๆศึกษาตามรู้ตามเห็นให้มากที่สุดแต่อย่าโลภ ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะแต่ว่าไม่เลิกอดูบ่อยๆมากที่สุดที่จะทําได้แต่ไม่โลบตัวนี้ยากมากเลยของเราต้องโลบก่อนเราถึงจะดูเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเราต้องดูแบบไม่โลบนะไม่หวังผลเอาแค่ว่าอยากรู้ความจริงของกายของใจเราก็รู้มันไปเรื่อยไม่หวังผลนะว่าจะรู้เราจะได้อะไรนะ นี่เราก็จะได้ธรรมะาขึ้นมานาสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติสมาธิปัญญานั้นแก่กล้าเพียงพอแล้วสติอัตโนมัติก็ระลึกรู้สภาวะอยู่ที่จิตนะสมาธิอัตโนมัติตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาสติก็ไม่เจตนาระลึกสมาธิก็ไม่เจตนาตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เจตนาเข้าใจมันเกิด อัตโนมัติไปทั้งสติสมาธิปัญญาไม่เจือด้วยโลภะเจตนาถ้าโลภะเจตนาเกิดเมื่อไหร่นะสร้างพบเมื่อ น, นั้นเลยนั่นะกระทั่งพบว่างๆนั้นนึกว่าพ ร, าารนะลหันเนี่ยเบื้องลึกลงไปก็คือโลภะเจตนานั่นแหละนะเอาแล้ววันนี้เทศดูเดือดเลยอ้างไปทานข้า